บัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแกการปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัย่แห่งระุ้ตธดำรัสที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงแกท่านเมตตากรุ่งซึ่งได้กล่าวมาโดยลำดับนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือเป็นการสอนให้ ผู้ปฏิบัติได้กำหนดรู้ส่วนที่เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติธรรมดาให้เห็นความจริงตามหลักของพระไตรลักษณ์และให้มองเห็นส่วนที่เรียกว่ากิเลสหรือตัณหาหรือมีชื่อจังอื่นว่าเป็นสิ่งที่มีโทษก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้ซึ่งถูกกิเลสเหล่านั้นครอบงำให้กำหนดเห็นโทษแล้ว ก็พยายามละสิ่งเหล่านั้นออกไปเพื่อบรรลุผลสูงสุดคือการดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์แต่ผลสูงสุดเหล่านั้นเป็นเพียงผลที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยการประกอบกระทำเหตุให้เกิดขึ้นประสงแสดงเหตุโดยประการต่างๆ เฉพาะในที่นี้จะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าอุปทิศคือกิเลสด้วยสิ่งเป็นเหตุให้เกิดความยึดความตือความเสียบติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เรียกว่าอุปทิศนั้นบางส่วนก็ได้กล่าวมาแล้วในที่นั้นๆัน้ซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุป อุปาิก็คือส่วนของกิเลสที่มีชื่อต่างๆบางครั้งท่านก็แยกเรียกบางครั้งก็แยกเรียกรวมกันไปซึ่งโดยกล่าวโดยสรุปก็คือพวกกลุ่มของสมุทัยสัตว์ทั้งหมดอีกกลุ่มหนึ่งนั้นก็คือกรรมและเกิดการกระทําที่เป็นบุญเป็นบาปซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสของบุคคลนั้นๆ อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติธรรมดาเช่นพวกขันธ์ธาตุอญาญตนะวิญญาณเป็นต้น <c oughs> สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งความยึดถือและเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคำว่าเป็นเหตุแห่งความยึดถือนั้นก็ได้แก่พวกกิเลสทั้งหลายคำว่าเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนั้นก็ได้แก่กรรม และสิ่งที่เป็นรูปธรรมานามธรรมา ท, ทั้งหลายนั่นก็สรปุปรวมบ่าเป็นอุปธิในอุปธิเหล่านั้นมีอุปธิอย่างหนึ่งที่ควรศึกษาและทำความเข้าใจในที่นี้คือสิ่งที่ทรงใช้คำว่าอาหารรูปจิแปลว่าอุปธิคืออาหารอาหารคือสิ่งที่บุคคลเข้าไปยึดเข้าไปถือเอาไว้ แล้วก็นำความเดือดร้อนมาให้แก่บุคคลนั้ น, น, นด้วยวิธีการต่างๆคำว่ า, าอาหารแปลว่าสิ่งที่นำมาซึ่งผลแต่เนื่องจากคนเราประกอบด้วยโมหะประกอบด้วยกิเลสแลนาประการผลที่เกิดจากอาหารจะมีทั้งด้านที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและด้านบ่อนทำลายสุขภาพกายจิตของบุคคลเหล่านั้น ให้เปลี่ยนแปลงให้ตุรพลไปพระพุมีพระพักรเจ้าทรงจะแนกอาหารไว้เป็นสี่ประเภทด้วยกันประเภทแรกเรียกว่ากาบริงการอาหารอาหารคือสิ่งที่บุคคลดื่มกินเข้าไปคือเข้าไปทางปากจะเป็นดื่มจะเป็นลิ้มจะเป็นรับประทานก็ตามที่นั้นก็เรียกว่าอาหาร อาหารจึงเป็นที่ตั้งแห่งความยึดความถือประการึ่างจะเนื่องจากาสัตว์ทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่ได้ก็โวยอาหารดังนั้นพระบุมีพระรภาคเจ้าจึงทรงสดแสดงหลักการบรรเทาถายทอนวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดติดเหล่านี้ <c oughs> เอาไว้ด้วยวิธีการต่าง ในชั้นแรกก็ต้องให้เข้าใจว่าอาหารนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องอิงอาศัยเขาแต่โดยสภาพที่แท้จริงของอาหารแล้วเป็นของปฏิกูลว่างเปล่าจากความเป็นของเราความเป็นเราแลความเป็นตัวเป็นตนของเราประกอบด้วยสิ่งที่พึงรังเกียจ ด, ด้วยประการต่างๆ ทำไมจึงสอนให้พิจารณาเช่นนี้เพราะนี้ผู้ปฏิบัติก็จะต้องมองว่าอาหารนั้นถ้าว่าบุคคลกำหนดไม่ดีหรือกำหนดความเด็ดอร่อยความหน้าลิมหน้าจิมน่ารับประทานให้มากขึ้นก็จะเกิดสุขเวทนาเพราะอาหารเหล่านั้นเป็นเหตุพอเกิดสุขเวทนาก็ไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้น แตใจจะวิ่งเพื่อควักปลายคว้าสแสวงหาความเมล็ดอร่อยจากอาหารเหล่านั้นอยู่เรื่อยไปในที่สุดใจก็เจะเกิดตัณหาในอาหารขึ้นมาพอเกิดตัณหาในอาหารก็จะมีการกําหนดหมายมีการผูกพันว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ที่เรียกว่าเป็นอุปาทานคือยึดติดในอาหารเหล่านั้น ดังกรณีจะพบว่าบางครั้งแม้ในบ้านเองผู้คนจะเห็นลักษณะของตันหาอุปาทานที่เกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นเหตุได้อย่างเด่นชัดอาหารไม่ถูกปากนั้นแสดงว่าอยากรับประทานอาหารที่ถูกปากซึ่งเป็นอาการของตันหาคือการมาตันหาพอเจออาหารไม่ถูกปากเข้าก็เกิดเป็นวิภพวัตตันหามอเกิดโลิตวัต วิวาทตันหาความยึดถือเรื่มหนาจอุปทานทั้งสองฝ่ายก็เกิดขึ้นแล้วก็เกิดเป็นภพือเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาบางครั้งถ้ากุมไว้ไม่ได้ก็จะทะเลาะวิวาทกันหรือตุ่มเฉียงกันถ้าแรงกว่านั้นก็จะเกิดเป็นการวิ ว, วาทเการอารวาสและลึกจะเลิกรับประทานอาหารไปเลยเป็นต้น นี่ลนแล้วแต่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ซึ่งต่อเนื่องกันไปเพราะอาหารนํามาซึ่งการกระทบพอการกระทบจึงเกิดเวทนาก็เกิดเวทนาก็เกิดความอยากทั้งด้านดีและด้านไม่ดีก็เกิดความอยากก็เกิดความยึดเมเกิดความยึดก็เกิดเกิดความเป็นเราเป็นของเราขึ้นมากระบวนการของความทุกข์ก็เกิดขึ้น แต่เพราะคนเราต้องอิงอาหารโดยนยิยะดดังกล่าวแล้วในชั้นหนึ่งก็ทรงสอนให้มองถึงสภาพความจริงของอาหารเหล่านั้นที่จะต้องอิงอาศัยแต่เพื่อถ่ายถอนใจแม้เกิดกำหนัดยึดติดในอาหารเกินไปก็รู้สภาพความจริงของสิ่งเหล่านั้นว่าโดยสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วเป็นอย่างไรที่เกิดเป็นปัญหาขึ้นมานั้นเพราะว่าบุคคลไม่เข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้น ถ้าใจเข้าถึงความจริงได้ยอมรับความจริงได้เวลาเข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยความยึดความถือความอยากแต่ประการใดแต่จะรับประทานอาหารด้วยความรู้สึกที่สรงใช้คำหนึ่งว่ายาปนนมัตังือยังอัตภาพและชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นอัหาจะดีจะเรวจะประณีตจะถูกจะแพงก็ตาม ถ้าสมเด็จวัตถุประสงค์ในการรับประทานอาหาร mm. ก็ชื่อว่าสาเร็จประโยชน์แล้วในชั้นหนึ่งจึงทรงสอนให้พิจารณาในขณะรับประทานอาหารโดยสร้างความสานึกให้จิตใจของผู้ปฏิบัติยอมรับว่า mm. การรับประทานอาหารนี้ไม่ใช่เพื่อเล่น mm. เพื่อสนุก mm. เพื่อความเร็ดด่รอย mm. เพื่อแสดงฐานะความมั่งคั่งอะไรของตน mm. แต่เป็นการรับโดยมุ่งหมายว่า ป้องกันจะกระจัดเวทนาคือความผิวเก่าซึ่งกําลังเสียดแทงอยู่และป้องกันทุกเวทนาคือความผิวใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นให้ร่างกายของตนมีความเจริญเติบโตมีดุแรงมีกําลังสามารถประพฤติปฏิบัติความดีปฏิบัติภารกิจการงานได้ซึ่งต้องใช้คําอีกคำหนึ่งว่าเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อพรหมจักร คือหมายความว่าการปฏิบัติความดีนั้นจะต้องอาศัยกายกายก็ต้องอาศัยอาหารเพราะงั้นบุคคลต้องรับประทานอาหารเพื่อกายมีสุขภาพดีจิตมีสุขภาพดีกายกับจิตมีการอิงอาศัยกันแต่เพื่อป้องกันจิตก็สอนให้พิจนารณาดังกล่าวแล้วความผูกพันในรสชาติในสีในกลิ่นของอาหารเป็นต้น ก็จะผ่อนคลายประปังลงไปมองในแง่ของการสาเร็จประโยชน์แต่เนื่องจากชีวิตของคนนั้นได้ทุ่มเทไปกับเรื่องกินเป็นนันมากพระพุทธเจ้าก็สอนให้ย้อนมาพิจารณาหลังจากรับประทานอาหารไปแล้วก็ให้พิจารณาโดยํานองเดียวกันแต่ในขณะเดียวกัน เป็นอาหารบูดอาหารเสียก่อนที่จะมาเป็นอาหารในขณะเป็นในขณะปรุงในขณะที่เป็นอาหารแล้วในขณะที่แปรปลุนเปลี่ยนแปลงไปในขณะที่บูดเน่าตลอดถึงอาหารที่ตนรับประทานเข้าไปจะอยู่ในท้องระขับถ่ายออกมาเป็นต้นโดยมองเห็นความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันของสิ่งเหล่านั้น จุดหมายจริงๆก็คือเพื่อถ่ายถองความกำหนัดความยึดจิตความวุ่นไว้ยกับเรื่องของอาหารคนนี้บางครั้งบางคราวจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมะบวชเรียนเข้ามาในพระธรรมวินยัยพระพุทธเจ้าก็มีหลักที่จะบรรเทาความอยากในอาหารออกไปด้วยวิธีการต่างๆเช่นห้ามไม่ให้พระเก็บสะสมอาหาร ที่เราเป็นทบาทได้มาห้ามให้เก็บอาหารประเภทที่เรียกว่าเป็นเพศัตชไวเกินเจ็ดวันห้ามไม้เก็บอาหารไว้ในห้องเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อตัดใจไม่ให้เหนียวนึกหรือความอยากกระประทานก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นจะกลับเป็นปริโพ o o t คือเครื่องกังบนเป็นห่วงใ ย, ยอยู่กับสิ่งเหล่านั้นความสงบนนสงในด้านจิตใจก็ เ, เกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าบุคคลได้พิจารณาถึงความจริงในเรื่องอาหารนอกจากจะมีผลเป็นอ ญ, ญาติการแล้วยังจะย้อนกลับเข้าไปแก้ปัญหาทางรายจ่ายภายในครอบครัวได้เป็นนั้นมากหรือถือว่ารับประทานอย่างไรสามารถยังอัตรภาพไปเป็นไปได้รับประทานอย่างนั้นความเดือดร้อนเพราะอาหารเป็นเหตุอาหารเป็นข้ามูลอาหารเป็นตัวสร้างให้มันเกิดขึ้น ก็จะพ่อนลายเบาบางลงไปเวลาแห่งชีวิตก็จะได้ใช้ไปอย่างมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นแต่ชั้นที่เป็นเป้าหมายจริงๆ จ, จ, จะต้องสามารถบรรเทาตันหาในอาหารลงไปได้เมื่อบรรเทาตันหาได้ก็ปล่อยวางอุปาทานได้ก็ปล่อยวางอุปาทานคือความยึดติดได้ความเป็นพบเป็นเราเป็นเขาากอบ ผ่อนคลายตามไปด้วยและในที่สุดความทุกข์ที่จะเกิดสืบเนื่องมาจากอาหารเป็นเหตุก็จะลดจอดลงไปตามกฎของเหตุผลที่ถ้อยกันไปเป็นโรกโซ่เมื่อแก้ปัญหาเปราะแรกได้เปราะต่อไปก็แก้ได้ไปด้วยแต่ถ้าสร้างปัญหาขึ้นในเปราะแรกเปราะต่อไปก็ต้องเป็นปัญหาตามไปด้วยอาหารประการต่อไปนั้นก็คือวิญญาณอาหาร อาหารคือวิญญาณที่เรามักพูดกันว่าอาหารตาอาหารหูแต่ที่พูดกันโดยทั่วไปว่าอาหารตาอาหารหูอาหา ร, หาหารใจที่จริงความรู้ที่ผ่านมาทางประสาททั้งหนั้นล้วนนํามาซึ่งผลทั้งหมดคือเป็นอาหารทั้งหมดแต่ปัญหาสําคัญว่าจะเป็นอาหารในด้านบวกหรือด้านลบคือให้คุณหรือให้โทษนั้นก็ขึ้นอยู่กับสติเป็นเครื่องรลืรู้วิญญาณที่ผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัส พระบุรีร้ า, าก็ยอมรับถึงความจริงในส่วนนี้ที่ทรงใช้คำว่าอิทากันตาปนาปะคือหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจคือยอมรับถึงความเป็นของหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจของสิ่งเหล่านั้นในเมื่อบุคคลยังมีกิเลสอยู่กิเลสเป็นเหตุให้เกิดความยึดความถือการกําหนดหมายอารมณ์ทั้งหลาย ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าเราก็พลากจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ความแตกต่างกันในเรื่องเหล่านี้จึงเกิดขึ้นจากการรู้ทันอารมณ์หรือไม่แต่นั้นเองแต่รู้ทันอารมณ์จากขวบวิ ญ, ญญาณคือความรู้ทางตาเป็นต้นจนถึงมนโนวิ ญ, ญญาณคือความรู้ทางใจคำว่าวิ ญ, ญญาณในที่นี้จึงหมายถึงวิญ ญ, ญาณหที่เกิดขึ้นจากประสาทสัมผัส จะเรียกชื่อตามภาษาบาลีว่าจักกุวิญญาณคือความรู้ทางตาโสตวิญญาณความรู้ทางหูคานาวิญญาณความรู้ทางลิ้นจิวหาคานาวิญญาณความรู้ทางจมูกจิวหาวิญญาณความรู้ทางลิ้นกายจ้วิญญาณความรู้ทางกายมโนวิญญาณความรู้ทางใจคำว่าความรู้ก็คือวิญญาณว่านวิญญาณเหล่านี้ยังไงยังไงก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีแต่ว่าทํำยังไงจึงจะไม่นํำสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามา ปวิญญาณนั้นเป็นตัวกลางอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับจากการกําหนดใจของบุคคลการกําหนดอารมณ์เหล่านั้นของบุคคลแต่ละขณะที่ผ่านเข้ามาในข้อนี้ก็เหมือนการพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนไว้โดยอนเนกกระปรยายเพื่ออะไรเพื่อไม่ต้องการให้บุคคลตกเป็นทาสของวิญญาณเหล่านั้นเพราะสิ่งที่เราเห็นเป็นต้นนั้นถ้าหากว่า กปัญญาเป็นเครื่องกาหนดพินิษพิจารณาแล้วก็พร้อมที่จะบังคับใช้บุคคลให้ตกเป็นทาสของอารมณ์เหล่านั้นได้ตลอดชีวิตและเป็นทาสที่แม้เขาจะพยายามปล่อยก็ไม่พร้อมที่จะไปกลายเป็นทาสที่ปล่อยและไม่ไปแต่ถ้าบุคคลได้อาศัยนิย่าที่ทรงแสดงไว้เช่นการสํารวมระวังอินทรีย์เวลาตายรูปเป็นต้น ในกรณีที่เป็นกุศลก็เหมือนกับอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายก็รับประทานเข้าไปในกรณีที่เป็นอกุศลก็เหมือนอาหารที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายก็บรรเทาหรือตัดกระแสของอารมณ์เหล่านั้นออกไปโดยสายการสํารวมระวังระมัดระวังเราจะถามว่าความการระมัดระวังนี้จะต้องระวังเมื่อไหร่ก็สมชใชคําว่า ระวังในที่ต้องป่วงเพราะดูถึงชีวิตของบุคคลระดับที่พระนิรตขึ้นไปในชัานการปฏิบาททาัติทางจิตตั้งแต่สมถะกรรมาฐานเป็นต้นไปนั้นมีลักษณะคล้ายๆกับเดินต่เส้นดวดแต่การระมัดระวังในการประคองตัวสติสมัชัญญะปัมเพียนประยัดความเข้มแข็งทั้งกายทั้งจิตก็จะต้องมีกำลังมากยิ่งขึ้น ไม่เนือไม่ไม่เหมือนกับการเดินกลางทุ่งหรือการเดินกลางถนนซึ่งการระมัดระวังก็น้อยกว่าปกติน้อยกว่าการไต่เส้นด้วยความการบาเพ็ญเพียรทางจิตเนื่องจากจิตจะเป็นไปในอารมณ์ทั้งหลายเร็วรับรู้ได้เร็วบางทีตั้งหลักไม่ทันก็เป็นดีเป็นชั่วไปแล้ว สถิตทิที่จะใช้ในกรณีการระลึกรู้เรื่องเหล่านั้นก็ต้องเป็นไปเร็วด้วยนี่ก็เป็นเรื่องของวิญญาณอาหารถ้าเรามองในกระบวนการของวิญญาณก็จะเห็นว่าพอมีวิญญาณขึ้นมันก็กลายเป็นนามเป็นรูปขึ้นมาเมื่อเป็นนามเป็นรูปก็ต้องเป็นเมื่อวิญญาณก็ต้องมีผัสสะ เรช่วงในขณะปัจจุบันเมื่อมีวิ ญ, ญญาณก็ต้องมีผัสสะมีการกระทบเมื่อกระทบก็ต้องมีเวทนาคือเป็นสุขเป็นทุกข์ถ้าสุขก็อยากได้ถ้าทุกข์ก็อยากทําลายก็กลายเป็นตัญหาปัญหาก็กลายเป็นอุปาทานเป็นภพก็เดินต่อไปอดังนั้นเรื่องของวิญญาณจึงเป็นเรื่องที่สอนให้สํารวมระวังเป็นต้นไปเป็นการป้องกันไว้ส่วนหนึ่งเป็นการละระดับหนึ่ง ในกรณีที่วิญญาณนั้นเป็นพิษหรือความรู้เหล่านั้นเป็นพิษเก็บอยู่ภายในจิตก็ส่งสอนให้พยายามบรรเทาไปโดยดั่ดับลดความเข้มข้นเพื่อลดความเข้มข้นลดความรุนแรงของพิษภัยเหล่านั้นที่กำลังกัดกรอนใจบุคคลอยู่ประการต่อไปเรียกว่าผัด ส, สาหารอาหารคือผัดสาผัดสาก็ เป็นอาหารที่ต่อเนื่องมาจากวิญญาณญางที่เคยบอกมาว่าธรรมะที่เป็นองค์อย่างที่ทรงแสดงไว้โดยนอย่านั้นนั้นแต่ถ้าเรานำไปสู่ภาคปฏิบัติแล้วแม้เพียงเหยียดมือครั้งเดียวก็เป็นองค์ธรรมทั้งเก้าองค์สนะิบองค์แแต่พอนำไปแสดงเป็นข้อเป็นข้อ เป็นเรื่องของคนละขณะคนละขั้นตอนคุณลักษณะของอารมณ์ถึงทรงจำแนกแสดงไว้ให้เห็นว่าปัญญาคือความรู้ต่างตาเป็นต้นนั่นก็ก่อให้เกิดเป็นผัสสะคือการกระทบเพราะตัวการกระทบเองก็นำผลมาแล้วก็นำผลมาทั้งสามฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นกลางฝ่ายที่ดีฝ่ายที่ไม่ดี ตัวภาษาคือการกระทบเองนั้นเป็นกลางๆแต่เนื่องใจขอองงเนื่จากใจของบุคคลมีกิเลสที่หนาบางแตกต่างกันจนถึงไม่มีกิเลสสำหรับท่านที่ไม่มีกิเลสภาษาก็เป็นเพียงภาษะแต่ท่านที่มีกิเลสน้อยเบาบางก็สามารถที่จะรู้เท่าทันภาษะเหล่านั้นที่เกิดขึ้นได้คือการกระทบต่างๆกระทบต่างตาทา ง, างหูทางจมูกตา ง, างลิ้นทางกายและการกระทบกระตั้งทางใจ ถ้ามีสติปัญญามากพอก็กำหนดรู้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นแก้ไขอารมณ์ของตนไปตามจังหวะที่เหมาะวรแต่ถ้าภายในจิตใจมีความมืดปอดปรากฏอูกมาก mm hmm. ก็จะทำให้ผัสสะนั้นเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจของตนเองได้คือเป็นเหตุเพิ่มพูนความกำหนัดความกัดเคื่องความรุ่มหลงความมวหมอง ให้หมักหมองอยู่ภายในจิตได้เมื่อมีการสัสมสะสมมีการหมักหมองอยู่ภายในจิตใจมากในที่สุดไอ้ทุกขเวทนาก็จะเกิดขึ้นมากพอทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากวิปวะตัณหากับกามาตัณหาก็จะวิ่งไปมากกามาตัณหานั้นบังคับให้จิต ด, ดิ้นเพื่อจะหนีจากสภาพเช่นนั้น วิวาทตัญหาทาให้จิตดิ้นเพื่อผลักสิ่งเหล่านั้นออกไปลักษณะอ า, าการเหล่านี้ถ้ามองให้เป็นรูปธรรมก็จะกลายเป็นภาพที่เราเห็นได้ชัดคล้าย ๆ, ๆกับมีอะไรกลิ้งมาจะทับเมื่อหนึ่งเราก็ต้องดันออกแต่ในขณะเดียวกันมองทางที่จะให้ตนเองหลุดพ้นจากการถูกตะก้อนหินเหล่านั้นทับแสดงว่าจิตก็วิ่งไปสองทาง ทางที่มุ่งทำลายกับทางที่มุ่งเอาตัวให้รอดแล้วก็วิ่งไปวิ่งมากันอยู่อย่างนี้แต่ความกดดันของก้อนหินเหล่านั้นยังหนักอยู่จิตใจของบุคคลก็จะถูกบีบออกมาทั้งสองด้านด้านใจคนที่ถูกอภิษะในส่วนที่ไม่นับปรารถนากดไว้มากใจก็จะดิ้น เพื่อจะดุดพ้นอาการดิ้นนั้นอาการผลักก็เป็นอาการของวิปัสตันหาแต่ดิ้นได้ออกไปก็กลายเป็นการอตันหาและก็ภวะตันหาดังนั้นจะพบว่าจิตใจของบุคคลยังถูกบีบรัดอยู่ด้วยอารมณ์ในลักษณะนี้มีทั้งทุกข์มีทั้งสุขต้องการหลีกจากทุกข์เพื่อต้องการความสุขจิตก็ดิ้น ในทำกลางการกดดันของสิ่งที่เป็นความตกอยู่อาหารเหล่านี้จึงทรงสอนให้กำหมดรู้ในส่วนที่เป็นโทษเป็นกุณแล้วกละส่วนที่เป็นโทษเจริญส่วนที่เป็นคุณเป็นการสร้างภูมิต้านทานภายในจิตของตนเองให้สูงขึ้นจนในที่สุดการกระทบก็เพียงการกระทบ หมายความว่าถ้าถึงดุจถึงจุดด้านกิเลส ก, ก็เจอจางบวบางลงไปแล้วตัณหาอุปาทานก็สงบระงับดับไปอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่ามโนสัญเจตนาหารอาหารคือความจงใจคิดอาการเหนียวนึกถึงอารมณ์ต่างๆทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นปัจจุบันและทั้งที่เป็นอนาคต ตามปกติใจก็จะเหนียวนึกอารมณ์ที่เราเรียกวิตกคือสึกนึกอการสึกนึกนั้นเป็นอาหารทั้งสองด้านหรือเป็นกุศลก็เป็นอาหารเป็นอกุศลก็เป็นอาหารแต่การนาผลคือเวทนาได้แก่าการสวยอารมณ์ที่แตกต่างกันถ้าจิตเป็นเหนียวนึกเรื่องที่ก่อให้เกิดความกัดกรุ่มเรร้อนกระฉับกระซาบวิตกกังวลหวาดระแวงหรือความกลัวทุกขเวทนาก็เกิดขึ้น พอทุกเบตนาเกิดขึ้นก็เกิดวิภวะตระหนาต้องการจะสลัดให้หลุดจากทุกขเวทนาเหล่านั้นก็เดินข้ากระบวนเดิมทีนี้ถ้าหากว่าจิตเป็นเหยมนึกถึงอารมณ์ที่น่าใคร่นน่าปรารนาน่าพอใจจิตก็จะดิ้นเพื่อจะคว้าอารมณ์เหล่านั้นถึงข้อนี้ท่านอุปมาเห็นเป็นรูปธรรมบ้าเหมือนกระ ง, งูที่นอนอยู่ ในขณะที่ความหิวยังไม่เสียบแทงใจก็ไม่เหนียวนึกถึงอาหารแกก็นอนของแกเฉยๆแต่พอความหิวเรื่องเสียบเสียบเสียบแทงใจจะเหนียวนึกถึงอัติตราลงคืออาหารในอดีตซึ่งแก จ, จะต้องหาให้ได้ในปัจจุบันเพราะแกเก็บความพอใจความอาดีรอร่อยของอาหารนั่นเอาไว้ภายในจิตแกก็เริ่มขยับตัวเริ่มใายศาีรษะเริ่มยกศีรษะขึ้นเริ่มใ ส, ส่ศีรษะไป เพื่อสายหาอาหารเหล่านั้นการสายไปเหล่านี้ก็เป็นอาการของตันหาที่มันเป็นรูปธรรมโอนิอาหารความอยากก็เกิดขึ้นซึ่งทหา ก, ก็อยากไม่ดูตามาตาเหลือคืออยากมากเกินไปก็จะมีสัตว์อื่นคอยจ้องที่จะกินงูอยู่อีกต่อหนึ่งก็ได้ดังนั้นการสแสวงหาอาหาร แม้จะด้วยแรงตองตัดหาแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้มีปัญญาเหมือนกันคือระมัดระวังไม่เฉพาะตัวเองจะต้องตายเพราะอาหารและในที่สุดพอได้มาก็กลายเป็นอุปท า, านอุปท า, านตอนนี้ก็มีการยึดการติดแล้วถ้าใครมาแย่งก็ต้องต่อสู้กันบางทีตัวเองก็ตายเพราะอาหารเป็นเหตุอาหารจึงกลายเป็นอุปธิคือเป็นที่ตั้งแห่งความยึดความถือความเยื่อใ่ความอะไร และในขณะเดียวกันก็กลายเป็นเหตุให้เกิดความเยื่อใยความอานไลเป็นที่เป็นเหตุให้เกิดความยึดความถือในสิ่งเหล่านั้นอในส่วนนี้พระพุทธเจ้าก็สอนให้กําหนดรู้ถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นและเกี่ยวข้องอย่างระมัดระวงังตรงนอนเดียวกับบุคคลที่เดินไปท่างกลางน้ําถ้าระมัดระวังโอกาสที่จะนหนาน้ําจะตามก็มีน้อย แต่ถ้าหากว่าขาดการระมัดระวังก็จะเดือดร้อนเพราะนั้นนั้นเป็นเหตุเช่นใดในขณะที่คนต้องเกี่ยวข้องเรอาหารแต่ถ้าเกี่ยวข้องอย่างขาดความระมัดระวังก็จะต้องเดือดร้อนเพราะอาหารตลอดชีวิตของตนแต่ถ้ามีความระมัดระวังอยู่ก็สามารถผ่อนคลายบรรเทาระงับดับความเดือดร้อนเหล่านั้นไปได้ตามสมควรกับกา ร, รปฏิบัติต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความส ง, งบสืบต่อไป